สัมมาทิฏฐิแบ่งเป็นสองประเภทหรือสองระดับระดับที่1โลกียะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกีคื อ, อยังเนื่องในโลกขึ้นต่อโลกได้แก่ความเห็นความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้องตามหลักแห่งความดีเป็นไปนตามคลองธรรมหรือสอดคล้องกับศีลธรรมดังตัวอย่างในพุทธพจน์ ที่ยกมาแสดงไว้แล้วข้างต้นโดยทั่วไปสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากปรโตโคสะคือปัจจัย ฝ, ยฝ่ายภายนอกหรือองค์ประกอบทางสังคมโดยอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงชักนำเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากการหล่อหลอมกล่องกล่าวของสังคมเช่นการอบรมสั่งสอนทางศิลธรรมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นต้น แม้สัมพันธ์กับโยนิโสมนาสิการก็มักเป็นโยนิโซมนาสิการแบบเราคุสลทิฏฐิระดับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าเช่นว่าดีชั่วถูกผิดอะไรดีกว่าอะไรเร็วกว่าควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นหรือว่าน่าเป็นไม่น่าเป็นอย่างไรเป็นต้นตลอดจนหลักความเชื่อหลักความเห็นต่าง ที่จะรักษาคุณค่าที่ดีงามถูกต้องไว้เพราะเหตุที่เกิดจากการหล่อล้อมของสังคมมีการถ่ายทอดโดยปรัโตโคสะทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นหลักการกฎเกณฑ์มาตรฐานความเชื่อถือชนิดที่มนุษย์ปรุงแต่งสร้างสรรหรือปัญญติวางกันขึ้นเป็นของซ้อนเข้ามาหรือต่างหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง และดังนั้นจึงมีลักษณะของความเป็นโลกิยะคือมีรายละเอียดข้อปลีกย่อยผิดแปลกแตกต่างกันออกไปตามกาลเทศะเปลี่ยนแปลงได้ตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของสังคมทิฐิจำพวกข้อถูกใจความฝ่ายนิยมหรือค่านิยมทั้งหลายล้วนรวมอยู่ในทิตฐิประเภทโลกิยะนี้ทั้งสิน้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายละเอียดคอบหลีกย่อยของทิฐินี้จะเปลี่ยนแปลงต่างกันไปได้ตามถิ่นฐานและการละสมัยแต่ก็มีหลักกลางสำหรับวัดความเป็นสัมมาทิฐิคือความสอดคล้องกับหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมเพราะหลักกรรมเป็นกฎธรรมดาหรือหลักความจรงิงที่รองรับความเป็นไปแห่งฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ โดยในยะนี้โลกิยาสัมมาทิฐิจึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยู่หรือสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติและด้วยเหตุนี้บางครั้งท่านจึงจำกัดความหมายของโลกิยาสัมมาทิฐิโดยระบุลงไปว่าได้แก่กรรมสกตายานคือความรู้ว่าคนมีกรรมเป็นของตนรู้ว่าคนเป็นเจ้าของการกระทำของตน จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นคือได้รับผลแห่งกรรมของตนซึ่งเป็นความรู้เข้าใจที่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมหรือพูดได้ว่ารู้เข้าใจถึงการที่พฤติกรรมและผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์เป็นไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโลกิยาสัมมาทิฏฐินี้จึงส่องถึงค่านิยมพื้นฐาน เช่นความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนความฝ่ายผลสำเร็จที่เกิดจากการกระทาหรือความเพียรพยายามความสามารถและสติปัญญาของตนความรู้จักพึ่งตนเองและการช่วยเหลือกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เองเป็นตน้นพึงสังเกตด้วยว่าความรู้เกี่ยวกับกรรมในระดับนี้ เป็นเพียงความรู้ถึงความที่กรรมเป็นของตนรู้ว่าแต่ละสัตว์แต่ละคนเป็นเจ้าของการกระทาของตนที่จะทำให้รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทาของตนนั้นหรือรู้ว่ามนุษย์จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ในขั้นของความรู้เข้าใจที่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการรู้เข้าใจตัวกฎหรื อ, อยังรู้ถึงความเป็นไปของเหตุปัจจัยนั้นโดยตรง ทั้งนี้เพราะความรู้เข้าใจที่อย่างถึงตัวกฎหรือเหตุปัจจัยโดยตรงย่อมจัดเข้าในจำพวกโลกุตระสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อต่อไปนอกจากนี้อาจวัดความเป็นโลกิยาส ม, มาทิฏฐิด้วยวิธีพูดอย่างอื่นอีกเช่นว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคม หรือว่าได้แก่ทิฐิชนิดที่ทำให้ก้าวหน้าไปในมรรคได้คือส่งผลแก่องค์มรรคข้ออื่นๆได้ตั้งแต่ช่วยให้เกิดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นและในเมื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมดาของธรรมชาติโลคิยะสัมมาทิฐินี้จึงอาจเชื่อมต่อให้ก้าวไปยังโลกุจระสัมมาทิฐิได้ด้วย